ตาหูจมูกดิ้นกายหรืออารมณ์ภายในหมายถึงความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความยินดีนะไม่ว่าบวกหรือลบก็ไม่ชอบไม่ชังไม่ผักใสไม่ไขวคว้าอันนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นได้ เพราะทันทีที่เข้าไปผลักไสหรือไขว้ า, าด้วยความชังหรือความชอบก็าตามนะมันก็กลายเป็นตกติดลมหรือเข้าไปเป็นนะไม่สามารถจะเห็นสิ่งใดอย่างที่เป็นจริงได้การเจริญสติคือการเห็นความจริง ไม่ใช่ไปบังคับจิตให้เป็นไปอย่างที่อยากอันนี้พูดถึงเรื่องการวางใจเป็นกลาง น, นอกจากมีความหมายว่าไม่ชอบไม่ชังไม่ปรักไปไม่ขวายคว้าอย่างที่พูดมาสักครู่แล้วเนี่ยมันยังหมายถึงว่าไม่เผลอไม่เพ่งด้วย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 หลวงพ่อคำเขียนนะเคยเล่าว่าสมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นท่านม่ก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัติท่านก็ติดสงบติดสมถะมากนะหลวงพ่อเทียนก็ทราบนะวันหนึ่งใ น, ในใค่าที่หลวงพ่อคำเขียนซึ่งเขาจะว่าตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่ ปฏิบัติอยู่ในกุติหลวงพ่อเทียนท่านก็เดินมาสอบอารมณ์กุติของหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นนี่นะปิดประตูปิดหน้าต่างเลยหลวงพ่อคำเขียนได้ยินเสียงฝีเท้านะก็รู้ว่าอ๋หลวงพ่อเทียนกําลังมาสอบอารมณ์หลวงพ่อเทียนก็ถามว่ากำลังทําอะไรอยู่ หลวงพ่อเชียงก็ตอบว่ากำลังเตือนสร้างจังหวะครับหลวง่อเถีงก็พูดต่อไปว่าให้เห็นทั้งข้างนอกและข้างในนะแล้วก็ถามหลวงพ่อคำเขียนว่าเห็นข้างในัหยเห็นครับแลข้างนอกเห็นไหมไม่เห็นครับ ถ้าทาไงจึงจะเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูครับนั่นท่านก็เดินไปเปิดประตูหลวงพ่อเชียงก็ถามต่อบไปว่าเห็นข้างนอกหรื อ, อยังหเห็นแล้วครับนั่ท่านก็พูดต่อไปว่าเนี่ยให้ทําอย่างนี้นะเห็นทั้งข้างในเห็นทั้งข้างนอกนะเราฟังดูนี่เราเข้าใจมาว่าหลวงพ่อเชียนต้องการจะบอกอะไร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 นักปฏิบัตินะจะเมื่อเริ่มรู้วิธีเนี่ยก็จะพยายามไม่ส่งจิตออกนอกแต่ว่าจะกลับสวิงหรือสุดโตรงเมตทา น, นคือว่าเพ่งข้างในซึ่งอาจจะหมายถึงการบังคับจิตให้ไปอยู่กับกายเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าหรือว่าไปจับจ้องเฝ้าดูความคิดนะมันยังไม่คิดเลยก็ไปดักรอมันใช้ก่อนละ อันนั้นก็ไม่ถูกนะเคยพาคนเดินจงกรมนะที่ผูหลงเดินไปตามทางบินทบาทสองข้างทางก็เป็นไรเป็นอ่าเป็นทุ่งก็มีเสียงนกร้อง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 ตอนนที่เสียงยิ่งดิบมันลงงมตลอดทางเลยนะเกือบครื่องบอกไม่ได้ยินก็เลยถามต่อว่าทำไมถึงไม่ได้ยินส่วนใหญ่ก็ตอบว่าตอนนั้นกำลังคิดถึงบ้านบางคนก็ตอบว่ากำลังห่วงคิดถึงงานห่วงกังวลอยู่แลื่อพอพอคิดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะใจมันก็ ผัวมันก็ไม่รับรู้แล้วนะว่ามีเสียงจิ้งหรีดอยู่อันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกนะเพราส่งจิตออกนอกเนี่ยอายการที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่อยู่รอบตัวนี้ก็ไม่มีไปคิดถึงอนาคตก็ตามไปคิดถึงอดีตก็ตามแล้วส่งจิตออกนอกตัวไปโน่นเสียงจิ้งหรีดที่อยู่ต่อหน้าต่อตาหรืออยู่รอบตัวก็ไม่ได้ยิน มีคราวนึงก็พาคนเดินนะอยู่ในกรุงเทพน่ะพาคนเดินไปตามถนนก็ประมาณเนียนาทีกลับมาก็ถามว่าได้ยินเสียงนกไหมนะก็มีบางคนบอกไม่ได้ยินนกมันก็ส่งเสียงตลอดนะถึงแม้จะเป็นกรุงเทพถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยิน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 แต่ได้ยินแล้วก็ผ่านนะถ้าได้ยินแล้วนี่ไปจดจ้องไปจดจอ่อนกอะไรจริ้งหรีดอยู่ไหนทําไมถึงมีจริงหรีดเ ย, ยอะแยะอันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกไปแล้วแต่ถ้าเพียงแต่สักแต่ ว, ว่าได้ยินรู้ว่าได้ยินก็แล้วก็ผ่านเลยไปถามว่าได้ยินไม่ได้ยินนะั้นแต่ว่าใจไม่ได้พุ่งไม่ได้ปรุงแต่งต่อไป ส่งจุดออกนอกนะมันก็ไม่รับรู้นะถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวก็าขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือว่าเพ่งเข้าในอาจจะไปเพ่งที่มือที่เท้าหรือไปอยู่กับคำบริกรรมนะพุโทโธซ้ายหนอขวาหนอมันก็ไม่รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกนะ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 นั่นไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะนน่าจะเป็นการเพ่งนั่นไม่ใช่เป็นการเจริญสติแล้วแหละถ้าชัดมากๆนี่แสดงว่าเพ่งนะอย่างยกมือสร้างจังหวะนี้เห็นการเคลื่อนไหวของมือนี่มันเป็นสายเลยเนี่ยให้รู้ว่านั่นเพ่งแล้วให้ความรู้สึกตัวเนี่ย เวลายกมือเนี่ยมันจะเป็นขณะขณะขณะห<โ Mister>ลวพ่อสังเกตท่านเปรียบเหมือนกับโซ่ที่ ท, ที่มันก็ห่วงโซ่ที่คล้องกันทีละทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละห่วงทีละห่วงมันจะไม่เหมือนกับเหล็กเส้นนะ <o S 2> <cor n. S 1> เหล็กเส้นนี่มันยาวเป็นพืชสังเกตดูความรู้สึกของเราเวลายกมือเวลาเดิน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 แต่ทาไปทําไปปล่อยขึ้นปขึ้นสายส้มก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นแต่มันก็นยังเป็นข้ออยู่คือมันมเป็นขณะขณานะไม่ใช่เป็นสายหลายคนเนี่ยอยากจะให้ความรู้สึกตัวมันชัดพอมีความอยากแบบนี้ขึ้นมาจีไล่มันก็จะเพ่งทันทีเลยเพ่งจีมือเพ่งจีเท้า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 ที่จมูกที่ปากนะเวลาเราคุยกับใครนี่เราก็มองเห็นหน้าเขารวมๆเราก็รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเราไปเพ่งที่มือเออเพง่งเพง่งเพ่งที่ตาเพ่งที่จมูกเพ่งที่ปากเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่รู้ชัดเลยว่าเขาเป็นใครแล้วเวลาเรามองหน้าเขารวมๆเนี่ยตาาจจะไม่ชัด ปากอาจจะไม่ชัดจมูกอาจจะไม่ชัดเมือการที่ไปเพ่งที่เฉพาะส่วนนั้นแต่แค่นั้นก็พอแล้วอย่าไปชัดมากเพราะถ้าชัดมากแปลว่าเพง่งลองสังเกตดูเวลาเรามองเรามองหน้าใครนี่เราไม่ได้มองที่จุดใดจุดหนึ่งเรามองรวมๆในการปฏิบัติให้เกิดความฝึกตัวทั่วพร้อมก็เหมือนกันนะ มันเป็นความรู้สึกรว ม, รวมๆที่ไม่ได้เกิดจากการเพลงแต่เท่านั้นมันก็เรียกว่าชัดแต่มันไม่ได้ชัดมากถ้าชัดมากมื่อไก็เพลงเมื่อ น, นั้นความรู้สึกมันความรู้สึกเบาๆเบาๆถ้าทําให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายในความรู้สึกตัวเนี่ย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 เห็นมันอย่างที่มันเป็นมันก็ช่วยทำให้หลุดจากอารมณ์นั้นได้แล้วทำให้กลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นทีาสำคัญมากนะเราทำความเพียรโดยที่ไม่อยากหรือวางความอยากลงมัเหมือนการเดินทางไกลจุดหมายอยู่ไกลก็ตามนะแต่ว่า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 ไกลแค่ไหนใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือเป็นปีก็ยังเดินต่อไปเพราะว่าใจอยู่กับปัจจุบันถ้าสมทึกความอยากแลวนี่มันก็คิดแต่จะมันก็จะคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอ้ความคิดนี่แหละที่มันบันทอนจิตใจทำให้ท้อทำให้คลายความเพียงได้ง่ายมาก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 ใบขับขี่นี่มันซื้อไม่ได้นะใช้เส้นก็นไม่ได้ต้องไปสอบเองไอ้สอบภาคปฏิบัติไม่มีปัญหาแต่สอบข้อเขียน30ข้อใน50ข้อเนี่ยเธอทำไม่ได้ไม่ถึงทำได้ไ ม, ไม่ไม่เคยถึง30มข้อก็ต้องสอบใหม่เธอสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกมันเป็นข่าวก็เพราะว่าเธอสอบแล้ว เจ็ห้าครั้งก็ยังไม่ได้นะสอบมาแล้ว775ครั้งนะเธอก็ไม่ละความเพียนนะถ้าเป็นเมืองไทยนี่สอบ10ครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วใช้เส้นดีกว่าหรือไม่ก็เอาเงินยัดในนี่คุณเป้านี่แกสอบมาแล้ว7จ็้าครั้งแกก็ยังสอบไม่ได้เป็นข่าวเลยนะ แต่ตัวหลังก็เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้นเจ็ดแปดเดือนพือสติปีห้าสองเป็นข่าวเพราะว่าเธอสอบได้แล้วหลังจากที่สอบมาเก้าร้อยห้าสิบครั้งความเพียร น, นี่น่ายกย่องมากนะเพียรมากจริงๆไม่น่าคิดว่าเนี่ยทำไมเธอถึงสอบได้มากมายขนาดนั้น สอบร้อยครั้งไม่ได้ก็ยังสอบสองครั้งไม่ได้ก็ยังสอบนะจะทำแบบนี้ได้เนี่ยนะก็เรียกว่าถึงแม้จะมีความอยากได้มากๆก็จริงแต่พอพอสอบแล้วนี่ก็ต้องวางนะความอยากพอถ้ายากมากๆเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ย มันสอบได้ไม่เกินร้อยครั้งอีกร0 0ยครั้งหรอกนะก็เลิกแต่เพราะว่าเธอไม่ได้คุณป้าคนนี้แกไม่ได้หมายมั่นว่าจะต้องสอบให้ได้สอบไม่ได้ก็สอบใหม่สอบอีกสอบอีกสอบไปเรื่อยๆถ้าความเพียรแบบนี้นี่พเราซื้อเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ ควรจะเอาเยี่ยงอย่างเนะี่ยหรือทำให้ได้ยิ่งกว่านั้นเพราะว่านี่แค่ต้องการทำใบขับขี่นี่ยังมีความเพียงขนาดนั้นไอ้ใบขับขี่นี่มันก็มีประโยชน์ก็จริงนะแต่มันก็ไม่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้ไอ้สิ่งที่เราทำอยู่นี่มันช่วยพ้นทุกข์ได้นะ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 เราเนี่ยไม่ท้อถอยง่ายๆเวลามันไม่เกิดผลอย่างที่อยากได้ไม่ได้ก็ทำนี่เป็นหัวใจของนักปฏิบัติเป็นสปิสิ์ของนักปฏิบัติได้ไม่ได้ก็ทำทำไปเรื่อยๆจนกว่าผลมันจะปรากฏหรือถึงผลจะไม่ปรากฏก็ยังทำอยู่ต่อไป อันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้พระมหาชนกเนี่ยนะเป็นเป็นที่รู้จักนะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่สำคัญมากาพระมหาชนกนี่เราก็คงทราบนะว่าฉากสำคัญของท่านเนี่ยก็คือตอนที่เรือเดินสมุทรมันแตกกลางทะเลแลท่านก็มีแต่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 ก็เลยบอกให้นางบดีเมฆคาาลงมาช่วยเพราะนางมดีมเมฆคารานี่มีหน้าที่ช่วยคนที่เดือดร้อนในทะเลนางบณีเมฆคาาเห็นพระมาชนกว่ายน้ําอยู่กลางทะเลแปลกใจก็เลยถามพระมาชนกว่าทําไมท่านจึงว่ายน้ํา ตลอด7วัน7คืน ท, ทั้งที่ไม่ไมเห็นฝั่งเลยมันมีประโยชน์อะไรพระหมหาชนาก็ตอบว่าข้าพเจ้าเห็นประโยชน์ของการทำความเพียรแม้ไม่เห็นฝั่งก็จะทำความเพียรอยู่ต่อไปก็คือว่าไม่หยุดนางมณีเมขลาก็ถามว่าเนี่ยท่านาไแบบนี้ท่านก็ตายเปล่า มีประโยชน์อะไรนะพระมหาชนกตอบว่าข้าพเจ้าเห็นประโยชน์ของความเพียรนะก็ย้ําอีกว่านะแม้ว่าทําความเพียรแล้วเนะี่ยจะต้องตายจะหาได้ทําความเพียรอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ไมไมเป็นหนี้ใครนะไม่อายไม่อายใครไม่อายญาติพียรนอกไม่อายเทวดาแล้วท่าก็พูดอีกว่าเนี่ย เมื่อรู้ประสงค์ของการทํากิจการในการทํากิจการนั้นใดก็ตามถ้าหากทําความเพียรแม้จะสําเร็จหรือไม่ก็ตามนะผลแห่งความเพียร น, นั้นย่อมประจกกักษ์กรตนคือถ้าไม่สนใจแนละ้วว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งแต่ว่าความเพียรเนี่ยมันย่อมส่งผลอย่างแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วว่าวามันจะเกิดอะไรขึ้นกอยทําความเพียรไปเรื่อยๆเพราะแน่ใจว่าสิ่งที่ทํามันได้ผลแน่อันนี้จะเรียกว่าท่านเนี่ยการที่ท่านว่ายน้ำไม่หยุดทั้ท ง, ทงที่มองไม่เห็นฝั่งจะทํางั้นได้เนี่ยนมันต้องใจต้องวางนะวางจากความ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 ให้นำปฏิบัติอย่างพวกเราเนี้นะต้องนะทำความเพลี่ยนให้เต็มที่นะไม่น้อยไปกว่าคุณป้าชาวเกาหลีคนที่ว่าจากขณะเดียวกันก็ต้องวางความอยากลงด้วยจะสําเร็จไม่สําเร็จก็ทํานะจะสงบหรือไม่สงบก็ทำนะจะรู้รูปนามหรือไม่ก็ทําทําไม่หยุดนะ ใจอยู่กับปัจจุบันไม่เชิเงเ้อคอมองว่าเห็นเป้าหมายหรื อ, อยังนะบางคนทำไปก็ถามางนันแหละว่าไปไกลแค่ไหนแล้วสำเร็จได้แค่ไหนแล้วล้วนะคนที่เฝ้าแต่ถามนะว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผลเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะหายฟุ้งเมื่อไหร่มันจะรู้สึกตัวถ้าถามแบบนี้นะ